วันนี้ก็เป็นวันอบรมหรือไหว้พระประจําวันขอให้พวกเราทุกๆท่านโดยเฉพาะการประชุมทุกครั้งเราจะได้เน้นๆในพระนิสิตนักศึกษามากกว่าพระพระเก่าก็ได้ยินได้ฟังมามากต่อมากผมคิดว่าไม่ขาดตกบกพร่องในการแนะนําสั่งสอนพระเก่าเพราะมีทั้ง ซีดีมี mp3 อะไรให้ทั้งหมดถ้าจะเปิดฟังคำพูดของผมหรือการแสดงความคิดเห็นของผมอยู่ในแผ่นซีดีทั้ง10แผ่นนั้นบริบูรณ์ถ้าจะว่าไปแล้วไม่ขาดตกบกพร่อ ง, องผมก็คงจะพูดแสดงให้มากกว่านั้นในยะได้ยากในระดับนี้ในขณะช่วงขณะนี้ เว้นเสียแะ่ส่วงต่อไปภายภาคหน้าบางสิ่งบางอย่างเมื่อการเวลามาถึงเราอาจจะพูดให้จะแจ้งขึ้นตามการสมัยคือการพูดหรือการแสดงออกก็รู้จักการเทศะบุคคลเหมือนกันถ้าเราอยู่ในธนพะหนุมเราจะไปพูดเกินเลยหรือไปพูดเกินฐานะของตัวเอง ฟังก็มันก็ดูดูแล้วไม่ใช่ไม่สมภูมิที่ตัวเองจะพูดเพราะตัวเองเป็นเด็กอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเมื่อแก่แล้วเราจะไปพูดอย่างเด็กก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ฐานะที่จะพูดอย่างเด็กเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องรู้จักการแสดงออกหรือการพูดเพราะฉะนั้นการพูดของผมในระดับนี้และขณะนี้ในซีดีทั้ง10แผ่นผมคิดว่าพอเหมาะ ถ้าว่าท่านผู้ใดสนใจอยากจะอยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะถามความคิดเห็นหรือว่าอยากจะรู้แนวแถวที่ผมแสดง ก, การพูดอย่างไรก็ให้หมู่พเพื่อนเปิด MP3 ทั้ง10แผ่นฟังถ้าว่ามีความข้องใจตรงไหนอย่างไรนอกเหนือจาก MP3 ทั้ง10แผ่นแล้วก็ให้มาถามผมได้ ถ้าผมรู้ผมก็จะตอบถ้าผมไม่รู้จะไปตอบได้อย่างไรเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วจะตอบเพราะนั้นผมคิดว่าผมไม่ขาดตกปกพ้องสําหรับหมู่พระเพื่อนรุ่นเก่าที่อยู่กับผมมาโดยลําดับที่ผมมาเน้นหนักก็คือพระนวกะที่มาบวชเพียงเดือนกว่าๆที่เป็นนักศึกษาแพทย์ไม่ดน สมควรอย่างยิ่งที่จะให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นอยู่กฎระเบียบภิยันควรจะศึกษาให้กว้างในขณะที่มาบวชเพราะนั้นจึงมีการประชุมทุกวันผมถึงจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรผมก็ยังคิดถึงหมู่พวกเพื่อนว่าไม่ควรจะให้ขาดตกบกพร่องเพราะท่านที่เข้ามาบวช ผู้ที่ตั้งใจก็มีผู้ที่ไม่ตั้งใจก็คงจะมีอยู่บ้างแต่ถึงยังไงก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าว่าการได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาคือความเชื่อว่าเป็นไปได้อย่างนี้ความเชื่อและความตั้งอกตั้งใจจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะตามมาอีกรอบแต่ว่าถ้าว่า ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วความเชื่อนั้นจะเกิดขึ้นมาได้ผมว่ามันก็ยากเพราะฉะนั้นจึงเน้นหนักเรื่องการได้ยินได้ฟังการอยู่ร่วมกันทําตัวอย่างไรแต่พวกท่านทั้งหลายก็คงจะสังเกตเห็นได้บ้างว่าที่ผมแนะนําสั่งสอนนั้นผมจะเน้นหนักในจุดแต่ละจุด แต่และชุมชนและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าว่าชุมชนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะพูดอีกในระดับหนึ่งก็คงจะเป็นลักษณะในนิทานในชาดกที่ได้ศึกษาที่ผมได้อ่านได้ศึกษาผมก็ได้สังเกตดูถ้าว่าลูกของพระเจ้าแผ่นดินเข้าไปศึกษา ทิศปะโมกอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับการรอบคอบสู่ศึกสงครามพิธีการรบพุ่งเอาตัวรอดอย่างไรกับเจ้าฟ้าชายหนุ่มเหล่านั้นแต่ถ้าว่าเป็นพรามณ์เข้าไปศึกษาทิศปะโมกก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการประกอบพิธีการแนะนําสั่งสอนให้ผู้คนเข้าอกเข้าใจ แต่ถ้าว่าเป็นคนระดับทามาหาเลี้ยงชีพเป็นแพทย์เรียกว่าเป็นคนระดับทำการงานที่ศัพท์พระโมกก็จะอธิบายเรื่องการทำงานการอยู่ร่วมกันทำอย่างไรอันนี้ก็ผมก็ได้คิดในลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเวลานิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับเป็นแพทย์เป็นหมอมา ที่มาศึกษาในครั้งนี้หรือว่าทุกครั้งที่ผ่านมาผมก็จะเน้นหนักเรื่องเกี่ยวกับวิ น, นัยแลื่ความรับผิดชอบพวกท่านทั้งหลายก็คงจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านๆมาผมจะเน้นเรื่องความรับผิดชอบและวิ น, นัยเพราะว่าการดำรงชีพหรือว่าการศึกษาของพวกท่านเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะนั้นพวกท่านจะทำแบบไม่รับผิดชอบทำแบบไม่ใส่ใจถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามากๆได้หลายท่านได้หลายคนผมว่าไม่เป็นพ้นดีต่อคนในชาติและไม่เป็นพ้นดีสำหรับตัวของท่านเองด้วยและไม่เป็นพ้นดีสำหรับคนในชาติด้วยต่อโลกด้วย แต่ถ้าว่าท่านเป็นหมอทุกท่านที่เป็นหมอตั้งอกตั้งใจทำการทำงานแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้ทำลงไปถางว่าผู้ใหญ่เขามอบหมายให้ทำอะไรในสาขาวิชาชีพที่เราประกอบในโรคนั้นๆอย่างทำฟั น, นกระดูกผิวหนังตาจมูกทางเดิน ลำไส้แต่ละแผ น, นแต่ละแขนงเรานก็รับหน้าที่ทำโดยความรับผิดชอบถึงใครไม่มอบหมายให้เราทำแต่เมื่อเราทำคือหน้าที่ของเราเคยทําเราก็ต้องทำแบบรับผิดชอบไม่ให้เกิดเสียหายเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เพราะชีวิตเขาชีวิตเรา มีคุณค่าไม่ใช่ว่าพาดท้องเขาเข้าไปแล้วไปลืมซ้ารีไว้ลืมตะไคร์เอาไว้ลืมเครื่องหนีบเอาไว้ลืมผ้าก๊อตเอาไว้อยู่ในท้องของเขาอันนี้ผมไม่ใช่ผมพูดเองผมได้ยินมากต่อมากได้ยินหลายคนในวงการแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง ถ้าพูดไปก็ะทำให้เสียหายต่อวงการก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือแต่ถ้าไม่พูดเชลเลยก็ไม่เป็นผลดีอีกทำให้หมอละเลงลืมตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดวันนี้ผมก็ไม่ได้พูดแบบดูถูกเกียดอย่างที่เรื่องผ่านๆมาเรื่องผ่านๆมาเหล่านั้นเป็นแต่เพียงบทเรียน มาสอนพวกเราที่จะเป็นนักศึกษาที่จะเป็นหมอต่อไปภายภาคหน้าที่ผมพูดให้ฟังนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อว่าหมอจะสะเพามักง่ายอย่างนั้นทุกคนแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามถ้าว่าเราขาดความรับผิดชอบมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นขอฝากไว้กับพระนิสิตนักศึกษาพลูกพล่หลานที่มาเข้ามาศึกษา เข้ามาบวชในครั้งนี้คือการเข้ามมาบวชในครั้งนี้ทั้งสมรมก็ดีทั้งคณะครูบาอาจารย์ก็ดีทั้งพ่อแม่ก็ดีทั้งตัวเองก็ดีหลายๆอย่างถ้าตัวเองไม่ต้องการคนอื่นจะบังคับหรือจะให้บวชเราก็คงจะทําอย่างนั้นไม่ได้แต่นี่ตัวเองมาก่อนว่าเราควรจะเข้าไปศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนา จึงได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ในเมื่อเข้ามาบวชแล้วพวกเราให้ศึกษาศีลและธรรมจริยธรรมกฎและเบียบวินัยที่การอยู่ร่วมกันเรือว่าการหรือว่าความรับผิดชอบในชีวิตของมนุษย์ถ้าว่าพวกเรานำทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำทาคำสั่งสอนที่ท่านผู้รู้ผู้ฉลาดผู้มีเมตตาอย่างพระพุทธเจ้า หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามากำกับจิตใจของตนเองใจของตนเองก็เป็นคนมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมทําสิ่งใดก็ตามมีฮิลิคคือความละอายแก่ใจโอดตปะปาคือความกลัวต่อบาปจะทําสิ่งใดลงไปเราก็มีความรับผิดชอบพร้อมรับผิดชอบดูให้ละเอียด ในการกระทําลงไปผมว่าเป็นผลดีต่อเราเป็นอันดับแรกและก็เป็นผลดีต่อคนในชาติความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับหมอโรงพยาบาลก็คงจะไม่ได้ยินถ้าหมอทุกคนมีความรับผิดชอบสูงสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่าน ที่เขามาบวชเข้ามาศึกษาในวัดหลวงพ่อคําว่าวินัยเราว่ากฎหมายถ้าจะว่าไปกับเป็นอันเดียวกันกฎหมายกับวินัยวินัยกับกฎหมายแต่ว่าวินัยของพระละเอียดกว่าคือศีลของพระเนี่ยละเอียดกว่าคือกฎหมายบ้านเมืองยังมีที่รับยังมีที่แจ้ง ถ้าเราทําคนไม่รู้อันนั้นเราก็ยังมีหลบมีหลีกมีเลี่ยงได้แต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านถึงท่านจะทําอยู่ในที่ลับที่แจ้งที่มืดใครไม่เห็นก็ตามอันนั้นคือความผิดอย่างมหันเป็นความผิดที่ทําความถูกต้องให้อภัยไม่ได้เพราะการกระทําไม่ถูกต้อง เหมือนกับเราจับไฟอย่างในที่มืดและในที่สว่างไฟนั้นให้ความร้อนเสมอกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราทำกล้มไม่ดีทำกมชั่วหรือสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องในที่รับกว่าดีในที่แจ้งกว่าดีเป็นความเสียหายเสมอกันเพราะการกระทานั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งทั้งหมด ที่ผมพูดมานีขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เป็นพระนิสิ์นักศึกษาสรุปแล้วก็คือให้เป็นหมอที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตใจถ้าพวกเราทำดังที่หลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนนี้พวกท่านก็จะได้วางตัวให้ถูกต้อง วางตัวด้วยความองอาจกล้าหาญอีกต่างหากวางตัวด้วยความเชื่อมั่นในตนเองอีกต่างหากสิ่งไหนไม่ดีเราจะไม่ทำถึงอย่างไงก็ตามชีวิตของหมอไม่อดไม่อยากแน่นอนถึงจะไปตกในมุมไหนก็เถอะมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยก็แล้วกันดีกว่าสามัญชนอื่นๆมากทีเดียวถ้ายิ่งพวกเราเป็นหมอที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมแล้ว ไปอยู่น่าสถานที่ใดมีน้ำใจต่อมวลมนุษย์ชาติมวลมนุษย์ชาติใครจะไม่ให้ความเคารพรับนับถือความไว้วางใจเขาจะต้องหลังไหลเข้าไปหาหมอที่มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมมีน้ำใจแต่ถ้าว่าหมอที่ไม่มีน้ำใจผู้ที่เข้าไปก็ขยาดกลัว ไม่รู้ว่าจะออกมาในไม้ไหนคนทุกคนคนไข้ทุกคนเมื่อเขาไปหาหมอก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องถามเว้นเสียแต่ว่าฉุกละหกไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ไม่สามารถที่จะเลือกหมอได้ก็เข้าไปแบบสุ่มแล้วก็เสี่ยงแต่ถ้าว่าพอที่จะเลือกได้เขาก็จะต้องถามสกักอน hmm. เขาจะถามไข่ พวกเราก็คงจะถ้าเป็นหมอนะคงจะคงจะพอรู้แต่คนที่เขาจะถามเขาก็บอกว่าให้ถามพยาบาลอันนพวกเราฟังเอาไว้นะบอกว่าจะถามหมอไหนมีฝีมือในทางไหนให้ถามพยาบาลพยาบาลจะรู้ได้ในการตัดสินใจของหมอนังนั้นสมมติว่าหมอทางนี้เก่งทางตา เราจะรักษาทางตาเราเข้าไปหมอทําผิดพลาดกี่ครั้งหมอคนนี้เพราะว่าพยาบาลจะต้องเข้าไปช่วยหมอทุกครั้งในเกี่ยวกับเรื่องตาหมอไหนเข้ามาหมอ A หมอ B หมอ C เข้ามาพยาบาลก็ต้องเข้าไปช่วยพยาบาลพยาบาลก็จะรู้ได้ว่าเออหมอหมอบีนะมีฝีมือ การตัดสินใจการกระทาของเขาละเอียดแล้วก็คนไข้ที่ผ่านผ่านมาไม่ผิดพลาดหมอบีดีกว่าเนี่ยพยาบาลเขาจะให้คำตอบแก่ผู้ที่มาถามอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละเพราะเราเราอย่าไปคิดว่าเราทำไปแล้วจะไม่มีใครรู้ว่าเราทำความลับไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้น เป็นผ้าบาลีแต่ผมก็จำผ้าบาลีนั้นไม่ได้แต่สรุปแล้วก็คือความลับในคำแปลนั้นว่าความลับไม่มีในโลกคือเราคนหนึ่งถ้าใครไม่รู้เราก็รู้ว่าเราทำอะไรลงไปเรารู้แก่ใจว่าเราทำอะไรลงไปถึงใครจะไม่รู้เราเองก็รู้ว่าเราทาอะไรเพราะนั้นท่านจึงว่าเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์ เพราะนั้นความลับไม่มีในโลกเรานะ่ยคือมนุษย์คนหนึ่งเรารู้ว่าเราทําอะไรลงไปเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราต้องทําสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ไม่ควรจะเสี่ยงควรจะศึกษาให้เข้าใจก่อนในวิชาแขนงนั้นๆในเมื่อเราทําได้เรามั่นใจ เราค่อยทาถ้าเราไม่มั่นใจเราจะไปเสี่ยงให้อวัยวะของเขาเสียหายสิ่งเหล่านี้กขขอฝากไว้อีกเหมือนกันนะแนวความคิดนะแนวความคิดหลวงพ่อจะให้แนวความคิดแก่พระลูกพระหลานพพวกพระลูกหลานเข้ามาศึกษาพออยู่ในวงการ น, นั้นอาจจะไม่มีใครที่จะพูดอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเสียงภายนอกเข้าไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระป่าอยู่ในป่าลงพงไพ่อย่างนี้ แ ล, แ, นนแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วให้คําคิดให้ความคิดแก่พระลูกพระหลานแล้วพวกพระลูกพระหลานก็อาจจะลงมลืมไปเป็นบางครั้งแต่หลวงพ่อว่าวันดีคืนดีถ้ามันประสบเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกพระลูกพระหลานที่เป็นหมอต่อไปเป็นผู้ใหญ่ก็คงก็หวนลาลึกถึงมาโอหลวงพ่ออินเคยพูดอย่างนี้ให้พวกเราฟังเคยเตือนอย่างนี้ให้แก่พวกเรา แล้วก็เคยบอกกล่าวอย่างนี้ให้แก่พวกเราอย่างนี้นีน่แหละที่หลวงพ่อพูดต่างกล้ำต่างวาระให้แก่พระลูกพระหลานฟังก็ก็หลว ง, งพ่อมีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากน้อยอีกสักวันหนึ่งมันอาจจะโผล่ขึ้นมาในจิตใจของเราบอกความคิดของนี่เออถ้าเราทําผิดพลาดจากนี้ออความเรือดร้อนจะเกิดขึ้นกับเราตัวของเรามันก็จริงนะพอเราเรื่องราวมันเกิดขึ้น ถ้าเราขี่เกียรติมักง่ายหรือเราไม่พร้อมเราทําลงไปมันก็เสียหายอันนี้ก็บหลวงพ่อที่เราไปศึกษาอยู่ในป่านในยุคสมัยเป็นนักศึกษาเราก็ได้ยินหลวงพ่อได้พูดตักเตือนอย่างนี้นี่แหละก็คืออยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเป็นลูกหลานให้รับผิดชอบให้มีคุณธรรมให้มีศิสธรรม มีจริยธรรมในใจถือว่าคนเหล่านั้นท่านเหล่านั้นคือญาติพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทมิตรสายเป็นผู้เกิดมาร่วมชาติเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันเราก็คนคนหนึ่งเหมือนกับมวลมนุษยชาตทั่วไปเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเราก็ช่วยเขาเต็มที่สุดความสามารถของเราอันนี้ก็ ที่หลวงพ่อว่ากล่าวหรือว่าตักเตือนพวกเราที่เข้ามาบวชในครั้งนี้สรุปแล้วก็คือความรับผิดชอบแล้วก็พร้อมกันในความคิดในอนาคตอนาคตคือต่อไปภายภาคหน้าเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าแก่แก่นั่นก็คือลาบถูไปข้างหน้าสมัยเราเป็นเด็กตุกเล็กเด็กแดงที่เกิดมาตัวเล็กเกอันนั้นแปลว่าเด็กต่อมาก็ รู้เลี้ยงสาภาวะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างพวกเราเป็นมานะต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไป ม, มีครอมีครัวจากนั้นก็มีลูกมีเต้าต่อหน้าก็เป็นผู้ใหญ่มีลูกมีหลานทําหน้าที่การงานผ้นได้สูก็เดินเข้าไปสู่วัยชราเมื่อแก่ไปไวัยชราแล้วจะไปที่ไหนอีกนย ผลในสุดก็ถึงจุดจบของชีวิตไม่มีใครที่จะหลีกรลี่ยหนีพ้นไปได้อันนี้แหละอันนี้เราก็ควรจะคิดอีกไว้ในใจอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะคิดแต่ธรรมมาค้าขายธรรมมาหาเลี้ยงชีพทำวิชาแพทย์หมอธรรมมาค้าขายอย่างเดียวเราก็ควรจะคิดถึงอนาคตของเราด้วยชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ใช่ว่ากําลังทํากําลังรุ่งเรืองในการเป็นอยู่กําลังมัวเมากําลังเก็บหอมหลอมเล็บเงินคําทรัพย์สมบัติได้อย่างมากมายแต่ยังไม่พอแต่ว่าได้มากพร้อมที่จะลามือแล้วพร้อมที่จะหาความสุขได้กับตัวเองเป็นมะเลงแท้เ่ยหลวงพ่อก็เคยได้ยินหมอทั้งหลายก็ควรคางขึ้นมา เ, เราก็ทําดีไม่น่าจะเกิดกับเรานะ อันนี้แปลว่าไม่ได้เคยคิดไปก่อนว่าชีวิตของคนเรานั้นมันไม่ได้เลือกการเวลาไม่ได้เลือกอายุว่าเท่านั้นเท่านี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้อายุมากน้อยขนาดไหนอย่างไรจึงจะสมควรที่จะตายชีวิตของเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์อย่างนั้นชีวิตของเราอยู่ในกฎอนิจจงคือของไม่เที่ยง เกิดมาแล้วพร้อมที่จะตายได้ทุกขณะทุกเวลาไม่ได้เลือกการสถานที่อีกต่างหากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนําเน้นสอนให้แก่พวกเราสาธุชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมเก็บหอมรอมริบคุณงามความดีไปเรื่อยอ ย, อย่างที่ผมเท่าความเทวการที่เป็นหมออย่างนัน ถ้าเราทําถูกก็คือเก็บบุญกุศลเก็บคุณงามความดีเราทําจุดนั้นก็เป็นการช่วยชีวิตของมนุษย์เป็นการสั่งสมบุญกุศลตามลําดับคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาตามลําดับเราก็เก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆและพร้อมกันก็เอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจ เรื่อยๆว่าชีวิตของข้าเนี่ยไม่รู้จะจากไปอย่างไรเมื่อไหร่พราะนั้นข้าพเจ้าจะไม่ลุ่มหลวงมัวเมากับชีวิตของเราจนเกินไปพร้อมที่จะถือโอกาสไหนบําเพ็ญกุศลทางด้านจิตใจให้กําลังแก่ใจของตนเองด้วยไม่ใช่ว่าจะทนุถนอมแต่ร่างกายโดยส่วนเดียว เ, าเราก็ควรจะ ดูแลจิตใจของเราด้วยให้อาหารแก่ใจของเราด้วยอาหารใจคืออะไรอาหารกายคืออะไรอาหารกายก็คือข้าวน้ำโพชนาอาหารหรือว่าปัจใจสี่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านกำหนดเอาไว้ปัจใจสี่ผ้านุ่ห ม, มอาหารบิดาบาทที่อยู่อาศัย ยาแก่โรคภัยไข้เจ็บอันนี้เรียกว่าปัจจัยสี่อาหารของร่างกายถ้าว่าเราขาดอาหารทางร่างกายร่างกายของเราก็อยู่ลำบากหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อย่างที่ว่าขาดเสื้อผ้าเป็นยังไงเราคิดดูก็แล้วกันขาดอาหารการบริโภคเป็นยังไงอันนี้เราก็คิดดูก็แล้วกันแล้วขาดที่อยู่อาศัย จะไปไหนก็ไม่มีรถจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีหลังคากุฏิที่พักพาัอาศัยไม่มีเครื่องมุงบงักคิดดูว่าเป็นยังไงถ้าเวลาเจ็บท้องปวดที่ษะไม่มียาแก้โรคภัยไข้เจ็บพวกเร า, าคิดดูเรื่เป็นยังไงอันนี้แปลว่าขาดปัดจจัยสีร่างกายของเราอยู่ลาบากอยู่ไม่ได้ก็แล้วกันถ้าขาดปัดจจัยสี ว่า น, นั้นปัจจัยสี่ก็เป็นสิ่งจาเป็นและสําคัญแต่เราจะมาเน้นแต่ปัจจัยสี่อย่างเดียวโดยที่เราไม่เน้นอาหารทางจิตใจจิตใจของเราแห้งผากจิตใจของเราว่าวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมจิตใจของเราขาดธรรมะมีแต่โลภทั้งวันโกรธทั้งวันหลงทั้งวันรักทั้งวันมีแต่ขนกิเลสเข้ามาสู่จิตใจทั้งวันจิตใจเราร้อน กระสับกระส่ายวุ่นวายทั้งวันอันนั้นแปลว่าเราไม่ได้ให้อาหารแก่ใจของเราเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพอเพอเป็นประสาทได้ง่ายๆ่ายเพอเพอเส้นเลือดแตกในสมองได้ง่ายๆความดันขึ้นมาได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะความไม่รู้จักปล่อยวางแปลว่ า, าเราไม่รู้จักให้อาหารทางจิตใจ เพราะนั้นทั้งสองอย่างคืออาหารกายอันหนึ่งอาหารใจนั้นส่วนหนึ่งเราควรจะประกอบทั้งสองอาชีพคือสองอย่างให้ไปพร้อมกันอาหารใจก็คือเรามองไม่เห็นอาหารใจใจตัวใจเป็นยังไงเรามองไม่เห็นแต่พวกเรารู้สึกทุกคนทุกองค์ว่าใจของเรามีเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรใจของเราอยู่ในสภาพไหนใจของเราปรุงแต่งเรื่องอะไร จิตใจของเราหนักไปทางไหนอย่างนี้พวกเราคงจะรู้แก่ใจว่าใจของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเองตอนี้เมื่อเรารู้ว่าใจของเราคิดปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกเราจะใช้วิธีอย่างไรเราก็ต้องใช้ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่พระหันสาวกที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้อาหารทางจิตใจนั้นท่านให้อย่างไร นี่แหละเราก็ควรจะศึกษาเมื่อศึกษาเรานํามาประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนที่ท่านให้อาหารทางจิตใจของท่านคือสมาธิทําจิตให้นิ่งนี่แหละถ้าว่าจิตปุงฟุ้งซ่านนะจิตหมดกํำลังจิตอ่อนล้าจิตเมื่อยล้าอถ้าจิตวิ่งไปอยู่ไม่รู้จักหยุดเหมือนกับคนเราวิ่งอยู่ไม่รู้จักหยุดอย่างนั้นมันเมื่อยล้ามันต้องพักผ่อนใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าใจของเราคิดปรุงฟุ้งอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีแต่โลภโกรธหลงเป็นเครื่องผักดันอยู่ออกอยู่ตลอดไปล่ำเวลาไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จั ก, กวางมีแต่คิดปรุงฟุ้งอยู่อย่างนั้นพวกเราคิดดูกันแล้วกันความทุกข์ในจิตในใจนั้นมันจะมากทีเดียวเพอเพอเป็นประสาตาเป็นป่าได้ง่ายๆพูดแบบเห็นได้ชัด เพราะนั้นการปล่อยวางทางด้านจิตใจคืออาหารทางจิตใจคือให้อาหารทางใจคือสมาธิทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้สงบคือปิดประตูไม่ให้ปล่อยจิตออกไปคือปล่อยจิตออกไปคือ ค, อความคิดปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกแต่ปิดใจกั้นใจไม่ให้มันออกนี่คือสมาธินี่แหละเอาสมาธิเข้ามาสู่จิตใจตาใจของเรา ถ้ามันปรงฟุง้งเราก็กำหนดเข้ามาหาสมาธิยืนเดินนั่งนอนเวลาเดินพุโทโธพุโทโธเวลาวิ่งออกกำลังกายก็พุโทโธพุโทโธหรือเราจะวิ่งสายพานออกกำลังกายในบ้านเราก็การเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนไหนเราก็ให้มีสติอยู่ในอวัยวะของเราส่วนนั้นแข่งขาตีนมือ โทพูดโธพุดโทพดโธไปให้มีสตินี่เป็นการฝึกให้อาหารทาง จ, จิตใจถ้าพวกเราฝึกอย่างนั้นบ่อยๆจิตใจของเรามีสมาธิดีการที่จะพูดจะคิดจะทำสิ่งใดมันก็ดีไปด้วยถึงขราวมี ม, มรสุมเข้ามาโลกธรรมแปดกระพือพัสดชัดศาสตร์เข้ามาเราก็มีรู้จักที่หลบรู้จักที่กำบังเพราะว่าเราเคยฝึกมาแล้ว แต่ถ้าว่าเราไม่เคยฝึกทางสมาธิมาก่อนปล่อยป่าละเลยเออละเหยไม่มีฝาผนังไม่มีสนามเพาะเราขึ้นโดดเด่นเมื่อลมมาในทิศทั้งสี่ฟ้าฝนมาอย่างที่พวกเราเห็นถ้าเราไปอยู่ในไม่ที่กำบังลมแรงๆมาทำยังไงอันนี้ลมของโลกกระท8แปดนั้นยิ่งแรงกว่าลมตัวนี้อีกถึงตายได้ โลกธรรมแก็นําเข้ามาพราะนั้นถ้าเรารู้จักกบรู้จักกลีกรู้จักเอาตัวรอดหลวงพ่อว่าจะเป็นผลดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้อาหารทางด้านจิตใจเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งอาหารกายคือเข้าน้ําโพชราอาหารส่วนอาหารใจนั่นก็คือทําจิตใจให้รู้จักกบรู้จักกลีบรู้จักเอาตัวรอด รู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราทำได้อย่างนั้นแล้วมันจะมาในทิศไหนก็ามาเถอะโลกธรรมเราเอาชนะมันได้ทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้เคยคิดไว้ก่อนแล้วเราจะเจอมรรสุมโลกธรรมแ8ดเข้ามาเราก็จะจัดสะท้านวันไหวเป็นทุกข์เป็นร้อนเสียสูญไปมากต่อมากเพราะโลกธรรมแปเข้ามากระทบ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เราอย่ามองข้ามในเมื่อเราเป็นกรวัิญาติโยมเรามีทั้งอาหารกายคือการสอบแสวงหาทรัพย์ให้อยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่พอเพียงบริบูรณ์แต่ก็อย่าให้มันโลกจนน่าเกลียดไปที่ไหนก็โลกของเขาหมดอ่า น, นั้นก็น่าเกลียดคือพอประมาณให้พอเหมาะพอดี ให้คิดถึงใจเขาใจเราถ้าเราไปโลภของเขามากถ้าเขามาโลภ ก, กับเราอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราก็ต้องเทียบเราเทียบเขาว่าอยู่เสมออันนี้ก็คือปัจจัย4ส่วนอาหารทางจิตใจนั้นก็อย่างที่ผมได้กล่าวคือทําจิตให้เป็นสมาธิทําจิตให้เป็นหนึ่งจากนั้นก็เดินทางวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือความแยกแยะ แยกแยะดูว่าอันไหนเป็นของเราถ้าว่าร่างกายก็ยังไม่เป็นของเราร่างกายจะต้องตายสลายลงไปในสู่ดินน้ำลมไฟลงไปเป็นกระดูกแล้วส่วนอื่นละ่ะเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงตึกลานบ้านช่องเดือนชานที่อยู่อาศัยจะเป็นของเราได้อย่างไรใช่ไหม ถามใจตัวเองขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องถูกเผาไฟอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรใช่ไหมถ้าเรามีคำถามอยู่อย่างนั้นในใจกิเลสความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงมัวเมาก็ดีในวัฏสงสารมันก็คงจะอยู่คนละฟ้กกันเหมือนกันเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงจึงจะเหมาะสม ในการเป็นอยู่ของเราการะเทศะบุคคลการจะวางตัวกับผู้คนกับสิ่งรอบด้านเราจะวางตัวอย่างไรอันนี้มันจะพอเหมาะพอดีสำหรับตัวของพวกเราเพราะนั้นถ้าว่าคนมีธรรมในใจแล้วมันพอดีพอเหมาะมีธรรมคือคือมีเหตุผลในจิตใจหลักธรรมคือหลักเหตุผลให้พวกเราใส่คิดเอาไว้ว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะั้นคือหลักเหตุผลหลักกฎหมายก็เหมือนกันคือว่าหลักเหตุผล กฎหมายบ้านเมืองก็คือหลักเหตุผลเอาเหตุผลมาว่า ก, กันคือความถูกต้องเป็นธรรมจะทํำยังไงจึงจะเป็นธรรม น, นี่เรียว่าให้เคารพกับหลักกฎหมายให้เคารพกฎของศีลธรรมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือหลักเหตุผลดังนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านควรจะฝึกเอาไว้เรื่องสมาธิเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งอย่างที่พวกเราสอบแสวงหาทรัพย์พอเป็นไปได้แล้วให้คิดถึงอนาคต การเป็นอยู่ของเราแก่คำว่าแก่มันไม่ถอยหลังมันแก่ไปข้างหน้าแก่ไปหาหูตึงหูหนวกแก่ไปหาตาฝ้าฟางแก่ไปหาหนังเหี่ยวหนังยน่นแก่ไปหาผมขาวผมงอมันแก่ไปอย่างนั้นคำว่าแก่ผลสุด พยามัจจราชแก่ไปแก่ไปไม่รู้จะเอาไปที่ไหนมันแก่เกินไปก็ผักลงเหียวซะโยนลงเหียวก็จบชีวิตหนึ่งไปแล้วก็มาวิญญาณตะเกียรตะกายจากเหียวขึ้นมาก็ม า, มาหาเกิดอีกถ้าว่าเรามีทนุนเออเวลาตกลงไปในเหียวเออเราเอาเงินไปด้วย เอาบัตรเครดิตไปด้วยเอาทองไปด้วยเอาเพชรนินกินดาติดตัวลงไปด้วยเวลาเรากลับขึ้นมาเราก็ใช้เงินทองเหล่านั้นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานที่ที่เราเกิดแต่ถา้าเราจนผักตกลงไปแล้วขนาดเสื้อผ้าก็ไม่มีอันจะนุ่งแล้วเราตะเกียตะกายขึ้นมาเกิดจะไปเกิดที่ไหนสิเพราะไม่มีเงิน อันนี้ก็คือคนที่มีทรัพย์สมบัตนะินั่นคือคนมีบุญนะพูดง่ายๆมีบุญคนมีบุญติดจิตติดใจของเราแต่ตายทุกคนตายโดยกันทุกคนแต่ว่าเมื่อตายแล้วมันต่างกันนะคนที่เป็นเศรษฐีกับคนที่ยากจนเหมือนกับไปต่างประเทศคนที่ไปต่างประเทศที่มีเงินกับคนที่ไปต่างประเทศที่ไม่มีเงินแล้วมันเป็นยังไงความแตกต่างกันมันคนละคนละอย่างัน อันนี้ก็เหมือนกันคนที่มีบุญตายกับคนที่ไม่มีบุญแล้วตายเป็นอย่างไรแต่เกิดขึ้นมาเกิดเหมือนเหมือนเก่าเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าการเกิดนั้นเราจะไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเทวดาอินพรหมนั้นไปยากเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราไม่มีบุญเพราะด้านการที่สั่งสมบุญเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายมันแก่อย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่น พวกเรานั่งคิดนอนคิดเดินคิดะจะคิดด้วยวิธีอย่างไรเอามือกายหน้าผากคิดมันก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ผมออมเรื่องหายนะหรือว่าเรื่องที่เอาเป็นอา ป, ประมงคลมาคู่มาพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังผมเอาความจริงเอาคําจริงเอาความจริงแท้ๆมาพูดให้แก่พวกเราได้ศึกษาผมเองผมก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นเอาความจริงมาพูดให้กันฟัง ถ้าพวกเราไปกล่าวไม่ตักเตือนจึงกันและกันแล้วใครใครท่านผู้ใดจะมาตักเตือนพวกเราแต่ขนาดพวกเราเตือนกันแท้ๆยังไม่เชื่อฟังาบางทีก็ยังทะเลทลายหาวังหลวงพ่ออินหลอกจะไปคิดว่าผมหลอกนะผมเอาคําจริงมาพูดให้แก่พวกเราได้ศึกษามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่ผมว่านั่งคิดนอนคิดเดินคิดยืนคิดเอามือก่ายหน้าผากคิดเอามือขัดหลังคิด มันก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บเพรากระตายบางทีไม่เจ็บสุดท้ายตายจะว่าไม่เจ็บก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเหมือนกันก่อนที่ใจจะขาดนะมันเวทนามันเกิดขึ้นขนาดไหนนะคือเจ็บแต่มันกระตายไปแล้วก็พูดไม่ได้เพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะวันนี้ผมได้พูดแต่เบื้องแรกว่าการแนะนําสั่งสอนของผมนั้นผมมี CD 10แผ่น ให้แก่พวกเราได้ศึกษาและกับผมได้พูดกับพระเก่าที่มาอยู่กับผมนมนานที่ผมได้อบรมประจำทุกวันขณะที่นิสิตนักศึกษาที่นักศึกษาแพทย์มาอยู่กับผมปีห้านเนี่ยผมเน้นหนักอยากจะให้พวกนิสิตนักศึกษาได้ศึกษาหลักธรรมะปฏิบัติเรื่องศีลธรรมจริยธรรมผมเน้นหนัก ทุกท่านทั้งหลายให้สังเกตพูดเวลาใดพบก็จะบอกว่าให้มีความรับผิดชอบให้เป็นผู้มีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตใจให้ทิดถึงใจขาวใจเราเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นเพื่อนมนุษย์ทุกคนก็มีต้องการความสุขอย่างนั้นอันนี้ก็คือที่ผมเน้นหนะักและก็พร้อมกันผมก็ การสอแสวงหาทรัพย์ภายนอกอันนั้นคือความถูกต้องในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าเรามีแต่สอดแสวงหาทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สอดแสวงหาทรัพย์ภายในคือศีลธรรมในจิตใจด้วยอันนั้นเราขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นผมจึงในเน้นอยู่ทั้งสองประเด็นคือการของชีพหนึ่งคืออาหารทางร่างกายอาหารจิตใจนั่นก็คือธรรมะ การธรรมะนี่ก็คือให้ศึกษาธรรมะปฏิบัติคือให้ปฏิบัติเอาธรรมะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเราให้มีศีลธรรมให้มีสมาธิธรรมคนที่มีสมาธิดีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักที่หลบที่หลีกอย่างที่ผมได้กล่าวเหมือนกับเรามีสนามเพราะมีบังเกอร์มีฝาลมแดดฝนกระพือพัดซัด ส, สาดมาอย่างไรเราก็มีที่หลบที่หลีก ผมเปรียบเทียบลมฝนที่มากระเพือพัดซัดสา์นั่นคืออะไรคือโลกกระทำแปะโลกกระทำแปะนั่นคืออะไรเสื่อมลาบคนเสื่อมลาบขึ้นมาเป็นบ้าปเป็นบอมีมากต่อมากคนเสื่อมยศเป็นบ้าปเป็นบอขึ้นมามากต่อมากคนถูกนินทาเป็นบ้าปเป็นบอมากต่อมากคนมีทุกในสิ่งที่พัดภาคอยากไป สามีพัญญาพ่อแม่ทรัพย์สมบัติที่พัดภากจากไปเป็นทุกข์ในจิตในใจหรือเป็นทุกข์ในร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นบ้าเป็นบอเขามีมากต่อมากเหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งทั้งสี่อย่างเนะี่ยที่จะมากระเพือพัด ช, ชัดศาสตร์กนะนำตัวของเราเนะี่ยไม่ได้เลือกการสถานที่มันพร้อมที่จะมาได้ทุกฟีทุกวันทุกโอกาสเมื่อสิ่งหล่นจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเรา จะหาวิธีหลบยังไงกับโลกธรรทำสีสี่ข้อที่สิ่งที่ไม่ต้องการนั้นนี่แหละอันนี้เราก็ต้องฝึกขัดทั้งด้าน จ, จิตใจเพราะนั้นนะว่าสิ่งภายนอกที่ว่านะคืออาหารกายที่เอาข้าน้ำโภชนะอาหารปัจัจสี่ที่อยู่อาศัยผ่านห้งหมยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอาหารการบริโภค อันนั้นแปลว่าอาหารกายส่วนอาหารใจนั่นก็คือทำใจให้สงบทำใจให้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นถือว่าร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าอีกสักวันหนึ่งเขาต้องเอาไปเผาไฟทิ้งขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราทรัพสมบัติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงวงศสาคนายาตรถถาบรรดาศักด์เหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่อันนี้ก็คือ คิดในใจอันนี้นะคำนี้เป็นว่าเป็นคำคิดอยู่ในใจเราจะไม่ควรพูดออกไปข้างนอกถ้าพูดออกไปข้างนอกแล้วเขาก็จะว่าบ่าเพอไปแต่นี่เป็นความ mm. คิดอยู่ในใจถูกไหมทีความคิดในใจอย่างเนี้ยผมรับประกันได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยพันนับพันหมื่นนับหมื่นกี่เปอร์เซ็นต์มังเงนถูกกว่าง้นแท้อ่มันเป็นอย่างนั้นจริงจริไม่เป็นอย่างอื่นพวกเรานั่งคิดนอนคิดดูกขแล้วกัน เพราะนั้นเมื่อเรารู้จักปล่อยรู้จักวางเราก็รู้จักการวางตัวว่าเราควรจะทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นๆหรือเรื่องราวที่เป็นอยู่นั้นในชีวิตประจำวันของเรานั้นๆมันจะไม่เฟอร์มันจะไม่อยู่แบบ ล, ลืมตัวไม่อยู่แบบถอยหลังเราจะรู้จักการวางตัวในการเป็นอยู่ในชีวิตประจาวันของพวกเราความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็ตามอัตภาพตามโลกของเขา ที่โลกของเขาบางคนก็ไม่รู้จักการปล่อยวางนะเสียสูญได้แต่พวกเราได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติพวกเรานำธรรมะปฏิบัติเข้ามาเป็นเครื่องประทีบสองทางเป็นทางเดินของชีวิตผมว่าพวกเราจะประสบความสงบพรมเย็นเป็นสุขแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะพอสมควรเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ วันนี้เอาตัวนี้ก่อนนะที่สุดกุศลเมื่อออกจากสมาธิทุกครั้งเป็นไงจี่จองที่ผมพูดท่านเข้าใจไหมกี่เปอร์เซนต์วันนี้ฮะออแต่ก็มีอะไรอธิบายให้ท่านรอน ท่านอธิบายให้ท่านนอนท่านดาเรศฟังด้วยนะผมพูดเรื่องอะไร <laughs> พท่านพท่านเข้าใจ 80% เอร์นต์ยก็น่าจะอธิบายให้ฟังได้